ทวยเทพกระจายข่าวถทวยเทพชั้นภู ม, มะกระจายข่าวว่าท่านผู้เจริญภิกษุสงฆ์ไม่เคยมีเสนียดไม่เคยมีโทษพระสุทินกลันทบุตรก่อเสนียดก่อโทษขึ้นแล้วทวยเทพชั้นจ่าตุมมหาราชสดับเสียงของทวยเทพชั้นภู ม, มะแล้วได้กระจายข่าวต่อไปทวยเทพชั้นดาวดึถทวยเทพชั้นยามาทวยเทพชั้นดุสิตทวยเทพชั้นนิ ม, มานารีดี ถวยเทพชั้นปรินิมิตวัตสวัสดีถวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมสดับเสียงแล้วก็กระจายเข่ากันต่อไปว่าท่านผู้เจริญพิกสูรสงไม่เคยมีเสียดไม่เคยมีโทษพระสุทินกรันทบุตรก่อเสียดก่อโทษขึ้นแล้วเพียงคู่เดียวเท่านั้นเสียงเปล่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้ต่อมา อดีตพระยาของพระสถินขันแก่จึงคลอดบุตรพวกเพื่อนของพระสถินจึงตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าเด็กชายพิชกกาเรียกอดีตพระยาของพระสถินว่าพิเชกามารดาเรียกพระสถินว่าพิเชกะบิดาต่อมาทั้งมารดาทั้งบุตรได้ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์